เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่บุญฝ่สยกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม เป็นวิธีการหัดขับรถที่ว่าเป็นวิธีการหัดขับรถเพราะว่าชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางร่างกายของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ใจของเราก็เป็นเหมือนกับคนขับคนขับจะพารถยนต์คือร่างกายของเรา ไปสู่ทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับคนขับจะพาไปถ้าเป็นคนขับที่รู้ที่ฉลาดก็จะพาไปสู่ทิศทางที่ดีที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าเป็นคนขับที่ไม่ฉลาดก็จะพาชีวิตไปสู่ความวุ่นวายสู่ความล้มเหลวสู่ความทุกข์สู่ปัญหาต่างๆ การเข้าวัดจึงเป็นเหมือนกับการมาฝึกขับรถของชีวิตเรามีรถยนต์ก่อนที่เราจะขับรถยนต์ได้เราก็ต้องหัดขับก่อนถ้าเราขับไม่เป็นเราไปขับซีซัวเข้าเดี๋ยวแทนที่จะเหยียบเบรกกลับไปเหยียบคันเร่ง <c oughs> แทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้า <c oughs> กลับเข้าเกียร์ถอยหลังก็งจะไม่ได้ไปตามจุดหมายปลายทาง ที่ต้องการจะไปด้วยโดยสวัสดิภาพแต่จะไปเจอแต่อุบัติเหตุเจอแต่เรื่องต่างๆดังนั้นเราจึงต้องหัดขับรถยนต์ให้เป็นก่อนเราต้องรู้ว่าพวงมาลัยมีไว้ใช้ทาอะไรคันเร่งมีไว้ใช้ทำอะไรคันเกียร์มีไว้ใช้ทาอะไรคันเบรกมีไว้ใช้ทำอะไรถ้าเรารู้แล้ว เราก็จะขับรถไปได้อย่างปลอดภัย <c oughs> ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นพวงมาลัยอะไรเป็นคันเกียร์อะไรเป็นคันเร่งอะไรเป็นเบรคคันเร่งของใจก็คือความอยากที่จะกระทำสิ่งต่างๆที่อยากจะได้สิ่งต่างๆ คันเบรกก็คือการระงับความอยากต่างๆพวงมาลัยก็คือปัญญาคือความรู้ความฉลาดรู้ว่าควรที่จะไปทิศทางใดเมื่อมาถึงทางแยกควรจะเลี้ยวซ้ายควรจะเลี้ยวขวาควรจะตรงไปหรือควรจะถอยหลังกลับถ้ามีปัญญาก็จะ รู้จักแยกแยะว่าทำอะไรไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีปัญญาทำไปตามความหลงก็เป็นเหมือนกับคนขับรถที่ไม่มีสติเป็นคนขับที่มึนเมาไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษได้คนขับสรายาเมา จึงมักจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพิกลพิการแต่คนที่มีสติมีปัญญาขับรถยนต์ก็จะขับด้วยความระมัดระวังรู้ว่าควรจะขับเร็วหรือช้าอย่างไรรู้ว่าควรที่จะไปทางทิศใดชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเรารู้จัก คันเร่งของจิตใจรู้จักคันเบรกรู้จักพวงมาลัยของใจเราก็จะสามารถพาชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้ก็ไม่มีอะไรพอเราต้องการอะไรกันส่วนใหญ่ก็ต้องการความสุขต้องการความเจริญความเป็นสิริมงคลไม่ต้องการความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะ ความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่มีใครต้องการเราก็สามารถที่จะพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ความสู่ความเป็นสิริมงคลได้เหลีกเลี่ยงความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายยนะความวุ่นวายต่างๆได้ถ้าเรารู้จักขับรถของเรา ชีวิตของเราขับรถชีวิตของเรานั่นเองและการที่จะรู้ได้ก็ต้องอาศัยคนที่รู้เป็นคนสอนเวลาขับรถยนต์เราก็ต้องรู้จากคนที่ขับรถเป็นให้เขาช่วยสอนให้ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องให้คนที่รู้จากการนำเดินชีวิตที่ถูกที่ดีที่งามสอนเราก็ไม่มีใครที่จะ รู้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้ากับพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามรู้จักใช้เบรกรู้จักใช้ขันเร่งขันเร่งนี้ก็ควรจะเร่งไปในทิศทางที่ดีเช่นอยากจะทำบุญ อยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมอยากจะออกบวชนี่เป็นการกระทำที่ดีพาไปสู่ทิศ ท, ทางที่มีแต่ความสุขและความเจริญเราก็ควรจะเหยียบคันเร่งควรจะหันพวงมุนพวงมาลัยให้ไปในทิศทางนั้น <c oughs> ส่วนเบรกเราก็ต้องพยายามเบรกเพราะถ้ารถจะวิ่งฝ่าไฟแดง รถจะวิ่งแหกโค้งตกเขวเราก็ต้องใช้เบรกต้องพยายามเ่ง์รถให้กลับเข้าถนนให้ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าจะแหกโค้งตกเขวเช่นไปเสพสุรายาเมาไปเสพยาเสพติดไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันไปยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักซับประพฤติผิดกเวนีพูดโกหงดเท็จโกหกหลอกลวงเหล่านี้เรียกว่าเป็นการขับรถแหกโคง้งเป็นการขับรถฝ่าไฟแดงเราก็ต้องเหยียบเบรกกันต้องพยายามหยุดใจไม่ให้ไปกระทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะถ้าเราทำไปแล้วมันก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลารถวิ่งฝ่าไฟแดงไปอะไรจะเกิดขึ้น ก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นเวลาที่เราไปทำอะไรที่ผิดกฎจราจ ร, จรก็เหมือนกับการฝ่าไฟแดงทำผิดศีลผิดธรรมก็เป็นเหมือนกับการทำผิดกฎจราจรเหมือนกับการวิ่งฝ่าไฟแดงแล้วก็จะต้องมีปัญหาตามมามีโทษตามมานั่นเองนี่คือวิธีขับรถเราต้องรู้จักใช้เบรก เมื่อเวลาที่จะต้องเบรกก็ต้องหยุดต้องเบรคมันคันเร่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ก็ใช้ใหมแต่ส่วนใหญ่เราจะขับเราจะทำกลับกันเรียกว่าทำกับตาลปัดเพราะคนขับนั้นไม่มีสติปัญญาเป็นคนขับที่มีอาการมึนเมามึนเมาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองมึนเมาด้วยความหลง เมื่อหลงแล้วก็ทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อเกิดความโลภเกิดความอยากแทนที่จะใช้จะแทนที่จะเหยียบเบรกไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็กลับไปเหยียบคันเร่งกลับไปเร่งให้มันวิ่งเร็วยิ่งขึ้นไปเวลาโลภอยากจะได้อะไรไม่เคยคิดเลยว่าจำเป็นหรือไม่ได้มาแล้วมันมีประโยชน์หรือเป็นโทษ พอเห็นว่าถูกหกถูกใจก็ต้องเอามาให้ได้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับมันต่อไปต้องดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่ไม่มีปัญญานั่นเองไม่รู้ว่า <c oughs> อะไรเป็นสิ่งที่ให้ความสุขอะไรเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับตน เพิมเหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรกส่วนสิ่งที่ควรที่จะเหยียบคันเร่งก็กลับไม่เหยียบเช่นควรทำบุญให้ทานควรเสียสละควรเอาชนะความเกียดข้านอย่างนี้เรากลับไม่เร่งทำกันเรากลับเ <c oughs> บรกมันไม่ยอมทำกันเวลาจะทำบุญให้ทานสักครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเสียดายเสียนง้นเสียทอง ไม่เหมือนเวลาไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวกลางคืนไปซื้อของฟุ่มเฟือยมีเท่าไหร่ใช้ไม่พอไม่พอใ้เพราะว่าเราเหยียบคันคันเร่งแทนที่เราจะเหยียบเบรกนั่นเองถ้าเราเหยียบเบรกแล้วเราจะไม่ใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเราจะไม่ใช้ในสิ่งที่เป็นโทษ <c oughs> เช่นเล่นการพนันเสพสรายาเม า, า, มาทเที่ยวกลางคืน ถ้าเราสามารถเบรกการกระทาที่ไม่ดีไม่ชอบได้ชีวิตของเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องมีปัญหาต่างๆตามมาถ้าเราเหยียบคันเร่งส่งเสริมให้เราทำความดีได้เราก็จะไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างรวดเร็วเช่นเร่งให้ทาบุญอยู่เรื่อยๆเร่งให้รักษาศีลให้มีมากยิ่งขึ้นไปเร่งศึกษาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเร่งทำกันแต่พวกเราไม่ค่อยทำกันเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนขับชีวิตคนขับรถชีวิตของเรานี่มีความมึนเมามีความหลงหลงทางแทนที่จะขึ้นเหนือกับลงไปทางใต้แทนที่จะไปสู่ความจเจริญความสุข กลับไปสู่ความทุกข์ความเสือ่อม <c oughs> เราจึงต้องมาปลุกคนขับรถให้หายเมาด้วยการเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นำออกไปปฏิบัติเพราะถ้าฟังอย่างเดียวและไม่ไมปฏิบัติก็จะไม่เห็นผล <c oughs> เหมือนกับเหมือนกับมีคนให้ <c oughs> ให้เราไปหยิบของที่หนึ่งแต่เราไม่เดินไปหยิบเราก็จะไม่ได้ของที่เขาให้เราไปหยิบมาแต่ถ้าเขาบอกเราว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วเราเดินไปหยิบมาเราก็จะได้ของนั้นมาฉันใดการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเช่นนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติต้องทำด้วยเพราะถ้าไม่ปฏิบัติไม่ทาเราก็จะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ มีคุณหรือมีโทษอย่างไรเราจะไม่รู้แต่ถ้าเรานําไปปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้ว <c oughs> เราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่พนพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําความดีให้เราเสียสละให้เรามีใจใจบุญสุนทานให้เรารักษาศีลเราก็ต้องลองทําดู เมื่อเราทำแล้วเราก็จะได้พบกับผลที่เกิดจากการกระทำเวลาทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขเวลาเรารักษาศีลใจเราก็จะมีความสุขเราต้องมองที่ตรงใจเราอย่าไปมองที่อื่นอย่าไปมองที่ว่าทำบุญแล้วจะมีหน้ามีตามีคนให้รางวี่รางวัลมีคนเขา ชื่นชมสรรเสริญเยอย่นี่ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทาบุญโดยตรงอาจจะเป็นผลที่ตามมาเป็นผลข้างเคียงเป็นผลพลอยได้คนอื่นชอบเห็นเราทําความดีเขาก็อาจจะอนุโมทนาชื่นชมมีอะไรเขาก็อาจจะให้เราเป็นการให้กําลังจิตกําลังใจแต่นี่ไม่ใช่เป็นผลแับที่จะได้จากการทาบุญ การทำบุญเช่นการให้ทานการเสียสละเมื่อทำไปแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจนี่เป็นเป้าหมายของการทำบุญต่างหากเพราะเมื่อเรามีความอิ่มเอิบใจแล้วใจเราก็จะไม่โลภไม่อยากกับเรื่องไร้สาระต่างๆแทนที่อยากจะาออกไปเที่ยวออกไปดื่มไป ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเราก็จะรู้สึกเฉยๆอยู่บ้านก็มีความสุขเพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงนั่นเองบุญกุศลนี่แหละคืออาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจเป็นสิ่งที่พวกเราขาดกันมากจึงทําให้เราต้องไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ไปหาความสุขจากการเที่ยวกลางคืนไปหาความสุขจากการเสพสุรายาเมา ไปหาความสุขจากการเล่นการพนันอย่างนี้เป็นเป็นโทษทั้งนั้นไม่มีความสุขเลยแต่เราก็ไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งหักห้ามจิตใจของเราได้เพราะใจของเรามันหิวมันกระหายนั่นเองเราจึงต้องทําบุญกันมากๆทําบุญกันอยู่เรื่อยๆเมื่อทําแล้วใจของเราจะอิ่มจะมีความพอ เราจะไม่หิวไม่กระหายกับการกระทำเรื่องที่ไรสาระทั้งหลาย <c oughs> ดังนั้นเวลาเราทำความดี <c oughs> เช่นทาบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอให้เราดูที่ใจเราเป็นหลักถ้าเราทำไปแล้วมีความสุขแสดงว่าเราทำถูกถ้าเราทำไปแล้วยังไม่ยังไม่มีความสุข ยังไม่มีความอิ่มเอิบใจยังไม่มีความพอใจก็แสดงว่าเรายังทำไม่พอหรือทำไม่ถูก ถ, ถ้าทำไม่พอก็ต้องทำให้มากๆขึ้นไปเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้ารับประทานเพียงคำสองคาก็จะไม่อิ่มต้องรับประทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มขึ้นมาถ้าทำผิดเราก็ต้องทำใหม่ ทำผิดน้หมายถึงอย่างไรทำแล้วหวังผลตอบแทนจากผู้รับเช่นเราช่วยเหลือใครแล้วเราต้องการให้เขาขอบอกขอบใจให้เขามีความสำนึกในบุญในคุณอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราทำเราช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่ขอบอกขอบใจเขาไม่สำนึกในบุญคุณเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมา อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทาบุญเป็นการค้าขายเป็นการแลกเปลี่ยนเราทำสิ่งนี้ให้กับเขาแล้วเขาทำสิ่งนั้นให้กับเราถ้าเป็นชิ้นนี้ก็ไม่ใช่เป็นการทําบุญถ้าเป็นการทําบุญที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นการทําบุญที่จิตใจสะอาดบริสุทธิ์คือไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเลยพอใจที่จะทำพอใจที่จะช่วยเหลือพอใจที่จะให้ เพราะเห็นว่าเขาเดือดร้อนทําแล้วทําให้เขาได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนความทุกข์ให้เบาบางลงไปให้เขามีความสุขขึ้นมาบ้างเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วมีคนช่วยเหลือเรานั้นเป็นอย่างไรเราจะมีความรู้สึกมีความสุขมีความสำนึกในบุญในคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเรา ไม่ว่าเราจะขอบอกขอบใจเขาหรือไม่ก็ตามแต่ความสำนึกนั้นมันมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแม้กระทั่งเบรฉ า, านมันยังมีความสำนึกเลยแล้วมนุษย์ที่มีปัญญาอย่างพวกเราทําไมจะไม่มีความสำนึกจะไม่รู้บุญคุณของผู้ <c oughs> ให้การช่วยเหลือกับเรา <c oughs> ดังนั้นเราทําไปเถอะไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับ ผู้รับนั่นแหละเขารู้อยู่แก่ใจของเขาเองแล้วสักวันหนึ่งเมื่อเขามีโอกาสเขามีโอกาสตอบแทนมีโอกาสช่วยเหลือเรารับรองได้ว่าเขาจะต้องคิดถึงเราก่อนเขาจะทักยินดีทำอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเราไปทวงบุญทวงคุณเขาแทนที่เขาอยากจะอยากจะทําอยากจะตอบแทนบุญคุณเขากลับไม่มีความรู้สึกนั้นเลยเพราะ การทวงการทวงบุญคุณนี้ไม่ใช่เป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญนั่นเองทำบุญแล้วต้องไม่หวังบุญคุณเป็นสิ่งตอบแทนทำไปเพื่อความสุขใจทำไปเพื่อความภูมิใจทำไปเพื่อความอิ่มเอิบใจเมื่อเราทำได้แล้วแล้วเกิดผลแล้วรับรองได้ว่าเราจะติดอกติดใจเราจะชอบทำบุญอยู่เรื่อย เมือนกับที่พวกเรามาวาดกันอย่างสม่ำเสมอเรามาทํากันแล้วเราก็มีความสุขใจขอให้ดูที่ตรงนี้เป็นหลักไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทาบุญทำทำบุญให้ท า, กทกานก็ดูที่ใจรักษาศีลก็ดูที่ใจอย่าไปดูคนอื่นเวลาแล้วเราเรารักษาศีลแล้วเราเห็นคนอื่นเขาทําผิดศีลผิดธรรมเราก็เกิดอิจฉาดุสยาขึ้นมา อยากจะทำเหมือนกับเขาอย่างนี้อย่าไปมองอย่าไปทาตามเขาเช่นเราไม่เราไม่พูดโกหกหลอกลวงแต่คนอื่นเขาโกหกหลอกลวงเราอย่าไปคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะดีถึงแม้เขาจะได้สิ่งต่างๆที่เขาปรารถนาก็ตามแต่สิ่งที่เขาเสียไปนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าคือจิตใจที่จเจรอนั่นเอง จิตใจจะเจริญจะเสื่อมส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ศีลธรรมนี้ถ้ามีศีลธรรมมากเท่าไหร่จิตใจก็จะสูงก็จะเจริญมากขึ้นไปเท่านั้นถ้ามีศีลธรรมน้อยจิตใจก็จะเสื่อมลงต่ำลงไปมากไปเท่านั้นอยู่ที่ศีลธรรมเป็นหลักเพราะผู้ที่จะไปเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ดีไปเป็นเทพเป็นพรหม เป็นพระอริยะเจ้าก็เดย์จะต้องมีศีลเป็นเครื่องผาไปเป็นด่านแรกเลยทีเดียวถึงแม้จะทำบุญให้ทานมามา ก, ม า, กมายก่ายกองบริจาคเงินเป็นน้อยล้านพันล้านแต่ถ้ายัางทาผิดศีลผิดธรรมอยู่เวลาตายไปก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นเทพเป็นครหเพราะไม่มีศีลนั่นเองแต่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นอสูรกายหรือไปตกนรกก็ได้ถ้าไปทําบาปชนิดอื่นเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้ถึงแม้จะบอิจาคทัพย์เป็นเงินร้อยล้านอันล้า น, านแต่ไปฆ่าคนอื่นก็ยังต้องไปตกนรกอยู่ไม่เหมือนกับคนที่รักษาศีลแต่ไม่ได้ทําบุญเลยแม่แต่บาทเดียวไม่ได้บริจาคเลยอย่างน้อยเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อย่างน้อยเขาก็จะได้เกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้เหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> การไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมนั้นต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานนะแล้วก็ต้องมีอย่างอื่นสนับสนุนถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีฐานะการเงินที่ดีก็ต้องทำบุญให้ฐานด้วย ถ้าไม่ได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นเหมือนที่เคยเป็นอยู่ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็จะมีอย่างนั้นมีฐานะการเงินอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นจะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าต้องการให้ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องทําบุญให้ทานด้วยแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องนั่งสมาธิ ไหวพระสดนดมปฏิบัติธรรมตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญปัญญาถ้าได้กระทําสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกับการรักษาศีลก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยบุคคลบ้างเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และเป็นพระพุทธเจ้า การกระทาเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เป็นไปได้ถ้าไม่ไม่ทาเลยก็จะไม่ได้อะไรเกิดมาชีวิตนี้ก็จะสูญเปล่าไปมัวแต่หาความสุขแบบไม่มีสาระเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเสพสุรายาเมาอย่างนี้เป็นการหาความสุขที่ไม่มี ประโยชน์ตามมาควรจะหาความสุขที่มีประโยชน์ตามมาด้วยเช่นให้ช่วยเหลือผู้อื่นเสียสระมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกตัญยูกะตะเวทีสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะทำให้เกิดความสุขและมีประโยชน์ตามมา พอทำให้จิตใ จ, จเจริญขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ในที่สุดเมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะได้รับรางวัลที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดคือการไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกขกับการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากกันนี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเพราะถ้าจาบใดยังมีการเกิดอยู่ แม้จะเกิดอยู่ในภพที่ดีก็ตามเช่นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมหาเศรษฐีมาเป็นมพระมหากษัตริย์แต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องดับไปก็ต้องตายไปก็ต้องสูญเสียหมดไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกก็ต้องมาทําบุญอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยจนกว่าจะไปถึงจุดที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป จุดนั้นเท่านั้นที่จะทำให้เราถึงจุดอิ่มตัวถึงจุดที่สบายถึงจุดที่ไม่ต้องมีการทำบุญทำทานอีกต่อไปเพราะไม่จำเป็นแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำมาได้พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่วิเศษแล้วคือสู่พระนิพพานสู่บรมสุขนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะฝึกหัด ขับพาชีวิตของเราให้ไปให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเราต้องมีสติรู้อยู่กับตัวอยู่เสมอเหมือนกับคนขับรถต้องรู้ว่ากำลังขับรถอยู่ต้องรู้ว่าขับเร็วเท่าไหร่แล้วต้องรู้ว่ามีรถหลามากน้อยเพียงไรมีรถตัดหน้ามีคนตัดหน้าหรือไม่เพื่อจะได้หยุดรถทันแต่ถ้าขับแบบคน ไม่มีสติครับแบบคนมึนเมาก็เหมือนกับไม่มีสตินั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็ไม่รู้สึกตัวเวลาโกรธขึ้นมาอยากจะทาอะไรก็ทาโดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วมาเสียใจภายหลังแต่ถ้ามีสติจะรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้จิตใจกาลังคิดอะไรอยู่ กำลังโกรธอยู่หรือเปล่ากำลังโลภอยู่หรือเปล่ากำลังหลงอยู่หรือเปล่าถ้ากำลังโลภ ก, กำลังโกรธกำลังหลงอยู่ก็ระงับดับมันเสียอย่าปล่อยให้มันดูดออกมาทางกายและทางวาจาเพราะจะสร้างความเสื่อมเสียฉันใดการขับรถก็เป็นแบบนั้นถ้าเราถ้าขับรถแล้วเหมือนเมาเราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า แล้วก็ไม่รู้ว่าขับรถเร็วขนาดไหนขับเร็วขนาดไหนก็ยังคิดว่ายังขับไม่เร็วอยู่พอถึงเวลาที่จะต้องหยุดอย่างกระทานหันก็จะไม่สามารถหยุดได้ถึงเวลาที่จะต้องเลี้ยวก็จะไม่สามารถเลี้ยวได้ก็ต้องพลิกควม่มหรือแหกโค้งตกเหวไปชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสติดูกายดูวาจาดูใจของเรา ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามเรื่องของมันพอถึงเวลาที่จะหยุดมันก็หยุดไม่ทันเวลาเกิดความโกรธแล้วเวลาจะระงับมันนี่มันยากถ้ามันออกมาทางกายทางการกระทาทางกา ย, ก ท, ท, ากายทางวาจาแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยเฝ้าดู อ, อยู่ที่ใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าใจจะคิดอะไรจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ต้องให้รู้อยู่ ตลอดเวลาเพราะถ้าเรารู้อยู่ตรงที่ใจแล้วเราจะสามารถระงับดับมันได้เราสามารถห้ามไม่ให้มันออกไปทางกายและทางวาจาได้เช่นเวลาโกรธอยากจะด่าใครถ้ารู้ว่ากําลังโกรธกําลังจะด่าใครก็ต้องดับมันเราก็จะดับมันได้ถ้าเวลาโลภเราก็ต้องรู้ว่าโลภในสิ่งที่ดีหรือที่ไม่ดี ในสิ่งที่ดีก็ทําไปเลยอยากจะทําบุญก็ทําไปเลยแต่อยากจะไปกินเสพสุรายาเมาก็ต้องหยุดมันทันทีเหมือนกันเราสามารถหยุดมันได้ถ้าเรามีสติคอยเฝ้าดูอยู่ที่ใจของเราดังนั้นตลอดวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปเราควรจะคอยดูใจเราอยู่ตลอดเวลาดูความคิดของเราดูอารมณ์ของเราว่ามันกําลังเป็นอย่างไร อย่างขณะนี้อารมณ์ของเราเป็นอย่างไรมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมหรือไม่มีเราอยู่เฉยๆได้ใช่ไหมถ้าเราอยู่เฉยๆได้แสดงว่าเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงว่าเราต้องมีความโลภมีความโกรธน่นมีความหลงแล้วอยากจะไปทาสิ่งนั้นอยากจะไปทาสิ่งนี้ขึ้นมา นี่คือการขับรถใจขับรถชีวิตของเราเราต้องคอยเฝ้าดูที่กายวาจาใจแล้วก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวพาไปเ ป, เป็นแผนที่พาพาไปขอให้เราขับรถชีวิตของเราตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสอนให้เราเสียสละสอนให้เราสมบุรณ์ให้ทานสอนให้เรามีความเมตตาการุณา สอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทีสอนให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเหล่านี้เป็นเป็นทางที่เราควรจะดำเนินไปพยายามเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆพราะถ้าขับรถไปแล้วปิ ด, ดูหนเดียวแล้วไม่ไม่ดูอีกพอมาถึงทางแยกก็อาจจะหลงทางได้อาจจะเลี้ยวผิดทางไปทางที่ไม่ถูกก็ได้ เราจึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะไม่ได้ลืมไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดําเนินชีวิตของเราไปในทิศทางใดนั่นเองถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆแล้วนําไปปฏิบัติเราก็จะฉลาดขึ้นเราจะรู้มากขึ้นและต่อไปเราไม่ต้องฟังก็ได้ไม่ต้องได้ยินก็ได้เพราะเราเข้าใจเรารู้แล้วว่าจะไปทิศทางใด เหมือนกับเราดูแผนที่จนขึ้น จ, จนจนจำได้ขึ้นใจแล้วเราก็ไม่ต้องดูแผนที่ก็ได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้พวกเราต้องมาวัดกันอย่างสม่ำเสมอเราศึกษาแล้วก็มาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเราทำแล้วเราก็จะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วเราก็จะมีกำลังจิตกำวังใจที่จะทำมากขึ้นเมื่อเราทำได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ชีวิจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความสุขที่สูงสุดนั้นนี่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามากันอย่างสม่ำมาวัดกันอย่างสม่ำเสมอยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงมีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความอุสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน แล้วความสุขและความเจริญจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุดิุดไว้เพียงเท่านี้เพราะคุณพระีราจะนาใจมีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวั น, นสุขขาภะละ โดยทั่วหน้าการเธอ